นสังวลสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพันศาที่หกมกุลบันพตอาตานาติยสูตรในพันศาที่หก พระอาจารย์กล่าวว่าพระพุทธเจ้าและเสด็จจำพรรษาที่มกุลบันพศแต่ในปฐมสมโพธิกถาพระนิพนกรมสมเด็จพระประมาณชิชชินโนรสกล่าวว่าเสด็จไปสถิตบนมกุลบันพศทรงทรมานหมู่อสูรเทพยดาและมนุษย์ให้เสียพยศอันร้ายแล้วและให้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาภูเขาชื่อนี้ยังค้นไม่พบว่าอยู่ที่ไหนถ้าจะาคาดคะเน ก็น่าจะอยู่ในแควมคตรหรือโกศลหรือในแควที่ใกล้คีมกันนั้นสถานเสด็จจาพรรษาของพระพุทธเจ้านี้ใช่เป็นที่ประทับตลอดปีพระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาช่วเวลาสามเดือนในฤดูฝนออกพรรษาแล้วก็เสด็จจาริกไปในตำบลต่างๆเรื่องพระพุทธจาริกจะได้กล่าวถึงข้างหน้าในตอนนี้จะเล่าเรื่องพานยักษ์ผ่านพระที่มีประวัติเล่าว่า เกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่บนเขาคิจเกูดแหวนมคกตนั้นไม่ปรากฏว่าในพนรรษาที่เท่าไรผ่านยักษผ่านพระนี้ใช้สวดในพระราชพิธีเดือนสี่เรียกว่าพระราชพิธีสัมพัสชรัตินคือตัดปีหรือสิ้นปีเพราะเป็นพระราชพิธีในปลายเดือนสี่ขึ้นเดือนห้าซึ่ง น, นับว่าเป็นต้นปีพระราชพิธีนี้พึ่งมาเริ่กในตอนหลังผ่านยักษ ผ่านพระนี้ได้แก่อาตานติยสุซึ่งตัดมาสูตรในเกตตมานขึ้นต้นว่าวิปษษษัสสิสสะนัมมัตถุมีความยอ่อว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่บนเขาคิจจกูใกล้รกรุงราชคฤิสสมัยหนึ่งเมื่อลุ้นปฐมยานแห่งราตรีแล้วท้ามหาราสีองค์พร้อมกับเสนาหมู่ใหญ่มาเฝ้าพระพุทธองค์ภูเขาคิจจกูรสว่างสวัยไปทั่วเท้ามหาราทั้งสี มีหน้าที่เป็นโลกบาลคือปกครองรักษาโลกทั้ง4ทิศคือ 1. ท้าววิสวรณ์หรือกุเวนก็มียักษ์เป็นเสนาบริวารเป็นโลกบาลประจําทิศเหนือ 2. ท้าวถัตต ร, รัตมีคนทันหรือพูดเป็นเสนาบริวารเป็นโลกบาลประจําทิศตะวันออก 3. ท้าววิรุฬหกมีกุมภพันธ์หรือเทวะเป็นเสนาบริวารเป็นโลกบาลประจําทิศใต้ 4. ท้าววิรูปต์มีหน้าเป็นเสนาบริวารเป็นโลกาบาลประจำทิศตะวันตกท้าวเวสสันน้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่ายักษ์ทั้งหลายที่มีอำนาจมากมีอำนาจปานกลางมีอำนาจน้อยบางพวกไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าบางพวกก็เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแต่โดยมากไม่เลื่อมใสเพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมผู้เว้นจา ก, การฆ่าทำลายชีวิตเว้นการลักทรัพย์เว้นพระพฤติผิดในทางกรรม เว้นพูดเถิดเว้นดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทส่วนยักษ์โดยมากไม่งดเว้นดังกล่าวจึงไม่รักไม่ชอบธรรมของพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าผู้อยู่ป่าอันสงบเงียบก็มีอยู่มากพวกยักษ์ก็มักอยู่ในป่าเช่นนั้นฉะนั้นเพื่อให้พวกยักษ์ที่ไม่เลื่อมใสธรรมของพระพุทธเจ้ามัางเกิดความเลื่อมใสขึ้นก็ขอให้พระพุทธเจ้าได้โปรดรับอาตานาติยรารขา เพื่อคุ้มครองรักษาพุทธบริษัททั้งหลายให้พ้นจากการถูกเบ็ดเบียนเพื่ออยู่ผาสุขพระพุทธเจ้าได้ประทับโดยดุสณีภาพท้าเวสวร์นจนได้กราบทอาตานาติยะรักานิวา่าวิปัสสิสสะนามัตถุเป็นต้นใจความของบทรักานี้ขึ้นต้นด้วยน้ำมศ ก, การพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์คือ 1. พระวิปัสสี 2. พระสิทธี 3. พระเวสภูส พระกา꾸สันทะหพระโกนาคมณะหพระกัสปะเจพระสักยะบุตรคือพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายในบนัดนี้ต่อจากนั้นกล่าวถึงเรื่องโลกอันประกอบด้วยดวงอาทิตย์กลางคืนกลางวันและสมุดกล่าวถึงเท้าจัตุโลกบาลทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้และทิศเหนือตามลําดับท้าโลกบาลแต่และองค์มีโอรสองค์ละเก้าสเท่ากัน นมีชื่อว่าอินทะเหมือนกันทั้งหมดต่างก็เครารพกราบไหว้พระโคตมะพุทธเจ้าและได้กล่าวถึงทิศเหนือเป็นพิเศษคือกล่าวถึงอุตรกุรุทวีปมีภูเขามหาเนรุหรือสุเนรุซึ่งไทยเรามักเรียกว่าเขาพระสุเมนเป็นที่ซึ่งมนุษย์จำงพวกหนึ่งเกิดอยู่ไม่มีการถือสิทธิหวงแหนสิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่กันและกันทั้งสิ้นไม่ต้องไถไม่ต้องหวานมีข้าวสาลีเกิดขึ้นเอง เวลาจะหุงต้มก็ไม่ต้องใช้ฟืนใช้ไฟแช้ขานใช้หมอ้อข้าววางบนก้อนหินสามก้อนที่เกิดไฟขึ้นเองเป็นต้นและกล่าวถึงท้าวกรบาลผู้ครองทิศนี้คือท้าววิสวรรธ์หรือท้าวกุเวนว่ามีนครอยู่หลายนครมีชื่อว่าอาตานาตากุสินาตาประกุสินาตาเป็นต้นและท้าวกุเวนนี้กล่าวว่าแต่ก่อนเป็นพรามณ์ชื่อว่ากุเวน ได้บำเพ็ญกุศลไว้จึงมาเกิดเป็นท้าโลกบาลประจำทิศเหนือมีชื่อว่ากุเวนและเพราะมีราชธานีอันวิสารคือกว้างใหญ่จึงเรียกว่าเวสวร์ต่อจากนี้กล่าวถึงยักษ์เสนาชั้นหัวหน้าซึ่งเป็นเสนาผู้นำข่าวสาร12คนชื่อว่าตาโตลาตาตะลาตาโตตาเป็นต้นกล่าวถึงสัปโปโครณีและยักษ์ข้าชื่อว่าภระคารวัี กล่าวถึงต้นไม้และสัตว์ต่างๆต่อจากนี้ได้กล่าวว่าอาตาณิตยรค า, านี้เพื่อคุ้มครองรักษาพุทธบริษัททั้งหลายถ้าพวกอมนุษย์ที่เป็นเสนาบริวารของเท้าจาตุโลกาบาลจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามลูกชายหรือลูกหญิงก็ตามเป็นมหาอมาัมมัดเป็นบริษัทบริวารก็ตามจะพึงมีจิตคิดร้ายยืนเดินนั่งนอนเฉียดกรายพุทธบริษัทผู้ใดผู้หนึ่งอามนุษย์ผู้นั้นก็จะต้องถูกตัดลาบ ถูกไล่ที่ถูกตัดสมาคมถูกข้ามอวาหะวิวาหะถูกตําหนิถูกครอบศีรษะด้วยหม้อเหล็กเปลา่าตรอดจนถึงถูกพาขมวงศีรษะออกเป็นเจ็ดเสียงแต่ก็มีผู้อมนุษย์ผู้ดูร้ายหยาบช้าไม่เชื่อฟังท้ามหาราชหรือโรกบาลไม่เชื่อฟังราชบุรุษของท้ามหาราชไม่เชื่อฟังคนของราชบุรุษของท้ามหาราชเรียกว่า เป็นศัตรูของท้าวมหาราชเหมือนอย่างพวกโจรในแว่นแกนของพระเจ้ากรุง ม, มคตไม่ชื่อฟังพระเจาองค์การและเจ้าหน้าที่ผู้ใดผู้หนึ่งก็เรียกว่าเป็นศัตรูของพระมหาราชพวกอ้ามนุษย์ผู้ประพฤติละเมิดดังกล่าวก็เช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นศัตรูผู้ทำผิดขัดเทพอานัตของท้าวจตุโลกบาลถ้าจะพึงมีขึ้นไซก็ให้ร้องกล่าวโทษแก่มหาเสนาบดียักว่ายักตนนี้ตนตนี้เข้ามาจับ มาสิงเบียนให้เกิดโรคเบียนให้เกิดอาพาธเบียนให้ผ่ายผอมเบียนให้เหี่ยวแห้งไม่ยอมปล่อยมหาเสนาบดียักษ์ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้รับคําร้องกล่าวโทษมี28ตนชื่อว่าอินทะโสมะวรุณะเป็นต้นครรท้าววิษ์วันได้ แ, แสดงอาตานาติยรักขานี้ถวายพระพุทธเจ้าแล้วได้กราบทูลลากลับวันรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเล่าแก่พิสุท์ทั้งหลาย มีถ้อยคําและข้อความอย่างเดียวกันความย่อของอาตานติยสูตรมีดังกล่าวมานี้แบ่งออกเป็นสองตอนตอนต้นที่ท้าวิสวรรค์มาเฝ้ากราบทูลและแสดงอาตานติยรักษาของตอนเรียกว่าพ่านยักษ์หรือบทกล่าวของยักษ์ตอนหลังที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรียกว่าผานพระหรือบทกล่าวของพระสูตรพานยักษ์ผ่านพระนี้ตอนต้นเป็นบทนมัสการพระพุทธเจ้าเจ็พระองค์ ต่อไปกล่าวถึงเท้าจัตุโลกบาลและเสนาบริวารทั้งสองเรื่องนี้น่าวิจารณ์ว่าจะเป็นพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงเพียงไรพระพุทธเจ้า28พระองค์เรื่องพระพุทธเจ้าหลายพระองค์มีในพระพุทธศาสนาที่แสดงเป็นากลา ง, ลางเช่นในพระโอวาทสมที่แปลความว่าการไม่ทําบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถิ่นร้อมการทําจิตใจให้ผ่องแผ้ว นี้เป็นคําสอนของพระพุทธทั้งหลายคําว่าพุทธนี้ใช้เป็นพระหูพ์มีความหมายทั่วไปว่าผู้รู้ทั้งหลายพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมศาสดาก็เรียกว่าพุทธพระอรหันตาสาวกก็เรียกว่าพุทธแต่มักเติมคําว่าอนุข้างหน้าเป็นอนุพุทธแปลว่าผู้รู้ตามหรือผู้รู้ในภายหลังเรียกรวมกันว่าพุทธานุพุทธ แปลว่าพระพุทธและพระอนุพุทธพระพุทธนั้นมีพระองค์เดียวส่วนพระอนุพุทธนั้นมีมากเท่าจํานวนพระอรหันตะสาวกทั้งหลายเมื่อถือว่าเป็นพระพุทธด้วยกันก็กล่าวได้ว่าพระพุทธมีจํานวนมากในบางพระสูตรน่าแสดงพระพุทธอีกจําพวกหนึ่งเรียกว่าพระปัจเจพุทธแปลว่าผู้ตรัสรู้เฉพาะตนผู้เดียวไทยเราเรียกพระปัจเจกุทธเจ้าหรือ พระปัจเจกโพธิท่านอธิบายว่าเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายในบัดนี้แต่ไม่สอนผู้อื่นน่าจะพิจารณาว่าควาหมายความว่าไม่สอนผู้อื่นให้ตรัสรู้ตามหรือไม่ตัง้งศาสนาขึ้นและเมื่อมีพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เรียกพระพุทธเจ้าซึ่งสอนผู้อื่นเช่นพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แปลว่าผู้ตรัสรู้เองหรือพระสัพพัญญูะเจ้าแปลว่าพระพุทธผู้ตรัสรู้รมทั้งปวงพระปัจเจกพุทธะท่านแสดงว่ามีจํานวนมากอยู่ด้วยกันในที่แห่งหนึ่งแห่งหนึ่งจํานวนหลายร้อยก็มีเมื่อแสดงถึงพระปฏิเจกพุทธะก็แสดงต่อไปว่ามีขึ้นในกาลสมัยที่ว่างพระพุทธศาสนาในสมัยที่พระพุทธศาสนายังดํารงอยู่ไม่อันตรธานไปจากโลก พระปัจเจกพุทธะก็ยังไม่บังเกิดต่อเมือ่อพระพุทธศาสนาอันธานไปหมดสิ้นแล้วทั้งปฏิเวทปฏิบัติและปริยัติสิ้นบรรปะชิตในพระพุทธศาสนาสิ้นพุทธบริษัททุกจำพวกตั้งแต่สมัยดังกล่าวจนถึงเกิดมีพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรมและตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นใหม่อีกพระองค์หนึ่งเรียกว่าพุทธันดนแรแปลว่าระหว่างแห่งพระพุทธเจ้า พระปฏิจเจ ก, กพุทธทั้งหลายบังเกิดขึ้นในกาลสมัยที่เป็นพุทธันดรเช่นนี้ตามกตินี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาของเราทั้งหลายเมื่อตรัสรู้แล้วท้าไมสั่งสอนใครไม่ได้ตั้งพระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิสถานพุทธบริษัทขึ้นก็คงเป็นพระปัิเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเมื่อกติแห่งพระพุทธศาสนาขยายออกไปถึงพระปัจเจกพุทธะและขยายออกไปถึงการเวลาอันเรียกว่าพุทธันดร ก็จะต้องขยายออกไปถึงพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นขีดขั้นสิ้นสุดแห่งพุทธันดรเพราะจะต้องมีองค์หนึ่งอยู่ที่สุดทางนี้และอีกองค์หนึ่งอยู่ที่สุดทางโน้นจึงจะเกิดมีคติเรื่องพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ขึ้นและมีคตินับเวลาของโลกอันยืดยาวที่สุดเรียกว่ากับหรือกันในคัมภีร์แสดงพระนามพระพุทธเจ้าซึ่งบังเกิดขึ้นในกับต่างๆหลายจํานวนเช่นในผานยักษ์ผานพระ แสดงไว้เจ็พระองค์ในที่อื่นเช่นในคำพีชั้นอัตถกาถาแสดงย้อนหลังไปอีกมากรวมกันถึง28พระองค์ก็มีหรือที่ระบุจำนวนไว้มากยิ่งกว่านั้นอีกมากดังในบทสวดสัมพุทเทต้นเจ็ดตํา ม, มานซึ่งเข้าใจว่าแต่งในลังกาก็มีจะกล่าวแต่เฉพาะ28พระองค์ซึ่งมักอ้างในบทสวดหรือในการประกอบพิธีหลายอย่างมีดังนี้ 1. พระตันหังก่อนอพระเมทังก่อน พระสารนังกร 4. พระทีปังกรรวม4ี่พระองค์อุบัติขึ้นในกัปหนึ่งหพระโกนธัญญาเพียงพระองค์เดียวอุบัติในกัปหนึ่งหพระสุมังคะเจพระสุมาณแปพระเรวตะ 9. พระโสพิตะรวมสี่พระองค์อุบัติในกัปหนึ่งสิพระอนุมัติศีสิบเอพระปฐุมะสิองพระนารทะรวมสาพระองค์อุบัติในกัปหนึ่งสบสา พระปถุมุตระเพียงพระองค์เดียวอุบัติในกับหนึ่งสิพระสุเมทะสิหพระสุชาตะรวมสองพระองค์อุบัติในกับหนึ่งสิพระปิยทัศนสี17พระอัฏฐทัศสี18พระธรรมทัศนสีรวมสพระองค์อุบัตในกับหนึ่งสิพระสิทธัตถ์เพียงพระองค์เดียวอุบัตในกับหนึ่งยีพระติดสัตยี่สิบเพระปุตสัตรวมสองพระองค์อุบัติในกับหนึ่งยีพระวิปัสสี เพียงพระองค์เดียวอุบัติในกัปหนึ่งิสาพระสิถีี24พระเวสสภูรวมสพระองค์อุบัติใกัปหนึ่งห้าพระกากุสันทะยีพระโกนาคมณะ27พระกัสสปะ28พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายรวมสี่พระองค์อุบัติแล้วในกับนี้อัจหนึ่งในกับนี้เองจกอุบัติขึ้นในอนาคตอีกหนึ่งพระองค์คือพระเมตไยยะไทยเราเรียกว่า พระเมตไตรหรือพระสีอรยาเมตไตรแต่มักเรียกกันว่าพระสีอานเพราะในกับปัจจุบันนี้จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นถึงห้าพระองค์รวมทั้งพระสีอานจึงเรียกว่าพัทธกับหรือพัทธกับแปลว่ากับเจริญนับรวมพระพุทธเจ้าที่ระบุพระนามอันเป็นส่วนอดีตได้ยี่สิบปพระองค์นับตั้งแต่พระวิปัสสี ได้จิตพระองค์นับเฉพาะในพัฒกับนี้ทั้งอดีตและอนาคตได้ห้าพระองค์บทนมสการว่าณโมพุท ธ, ธายะแปลตามศัพท์ว่านอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าเป็นคำกลางๆแต่ก็นับถือกันว่าเป็นบทว่าพระเจ้าห้าพระองค์น่าจะพรานับได้ห้าอักษรและพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นั้นก็หมายถึงพระพุทธเจ้าซึ่งได้อุบัติแล้วและจักอุบัติในพัฒกับนี้ พุทธพยากรณ์จำนวนพระพุทธเจ้ายีสิบพระองค์นับตั้งแต่ในกลับของพระธีปังกรพุทธเจ้าซึ่งได้ทรงพยากรณ์พระบรมศาสดาของเราทั้งหลายว่าจะได้ตัดรู้เป็นพระพุทธเจ้าตามที่ท่านเล่าไว้ว่าในที่สุดแห่งสี่อสงไขยหนึ่งแสนกลับจากปัทภกับนี้มีนครหนึ่งชื่อว่าอามอรวดีได้มีพรามณ์ผู้หนึ่งชื่อว่าสุมเมษอาศัยอยู่ในนครนั้น เป็นพราหมณ์คฤบดีบัณฑิตมั่งขั่งด้วยศัพท์ต่างๆต่อมาสมเดบัณฑิตได้ปารบถึงความทุกข์ในโลกอันเนื่องมาจากชาติภพปรารถนาจะพ้นจากชาติภพได้พิจารณาเห็นว่าเมื่อมีทุกข์ก็ย่อมมีสุขมีภพก็ย่อมมีวิภพหรือปราศจากภพมีร้อนก็ย่อมมีเย็นมีกองไฟสามกองคือราคะโทสะโมหะก็ย่อมมีนิพพานคือดับไฟกิเลสนิบาป ก็ย่อมมีบุญมีชาติก็ย่อมมีอัจฉริคือไม่เกิดเป็นของคู่กันจิงสละ ท, ทุกสิ่งออกบวทเป็นดาบทประพฤติพรตพรหมจรรย์นในปาสําเร็จสมาบัติ8และอภิญญาห้าใช้เวลาให้ล่วงไปด้วยความสุขอันเกิดจากสมาบัติสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าที่ปังก่ออุบัติขึ้นในโลกเสด็จจาริกประกาศพระพุทธศาสนาจนใกล้จะถึงรามกานนครประทับพักอยู่ในสุทัศนมหาวิหาร ราชาชนชาว ร, รัมกานครได้ออกไปเฝ้าทูลเชิญเสด็จเข้าสู่พระนะครเพื่อรับปินทบาทในวันรุ่งขึ้นแล้วพากันตกแต่งทางที่เป็นเปือกตมหลุมบ่อต้นไม้ขึ้นรกรุงรังช่วยกันถมแผ้วถางเกลี่ยให้เรียบร้อยโรยข้าวตอกดอกไม้ยกทงชั่ทงผืนผ้าต้นกล้วยเป็นต้นในการนั้นสุมเม็ดาบทได้ผ่านมาพบเข้าถามทราบความแล้ว กินขอแบ่งที่ตกแต่งทางตอนหนึ่งไม่ยอมใช่ฤทธิ์ลงมือขนดินถมทางด้วยตนเองครั้นพระพุทธเจ้าที่ปังกรเสด็จผ่านมาก็ทอดตอนลงนอนถวายหลังให้เป็นทางเสด็จและเมื่อได้พินิษพิ จ, จารณาเห็นพระพุทธสริของพระพุทธเจ้าที่ปังกรมีความเลื่อมใสจนถึงตั้งจิตปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตท่านแสดงว่าถ้าแม้สูเม็ดดาบทขอบรรพชาอุปสมบท เป็นภิกษุพุทธสาวกของพระทีบังกรพุทธเจ้าก็จะพึงบรรลุนิพพานได้ในชาตินั้นแต่สุมเมดาบดปราถนาที่จะบรรลุสัมโพธิญาณเหมือนพระทีบังกรทศพลช่วยยกมหาชนขึ้นสู่ธรรมนาวาพาให้ข้ามจากสงสารสาพรแล้วจึงจะปเิณิพานในภายหลังฝ่ายพระทีบังกรทศพลเมื่อเสด็จถึงองค์สุเมดาบดประทับยืนณที่เบื้องศีรษะก็ได้ตรัสพยากรณ์ว่า ดาบทนี้ทำอภินิหารปราถนาเพื่อเป็นพระพุทธะความปรารถนาของดาบทนี้จะสําเร็จในอนาคตเบื้องหน้านน้ษยส ม, มิทธดาบทรั้พได้รับพุทธภยากรก็ได้ชื่อว่าเป็นโพธิสัตว์จําเดิมแต่นั้นมาท่านแสดงว่าอภินิหารความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง น, นั้นจกสําเร็จพระผู้ตั้งความปรารถนาประกอบด้วยทำสมุทาน์แปดประการคือ ความประชุมแห่งธรรมคือคุณสมบัติรวมกันครบได้แก่ 1. เป็นมนุษย์สองเป็นมุรุษเพศสมบูรณ์ 3. มีเหตุสมบูรณ์คือมีนิสัยบา ร, รมีพร้อมทั้งการปฏิบัติประมวลกันเป็นเหตุที่จะให้บรรลุพระอรหัสตในอัตภาพนั้นก็ได้แล้วแต่เพราะประาคถนาเป็นพระพุทธเจ้าจึงยังไม่สำเร็จก่อน 4. ได้เห็นพระศาสดาคือได้เกิดธรรม และได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งหบรรพชาคือถือบวชเป็นนักบวชเช่นฤาษีดาบทไม่ใช่ครหัตหถึงพร้อมด้วยคุณคือได้อภิญญาห้าสมาบัติแปหมายถึงได้สมาธิ จ, จิตอย่างสูงจนจิตบังเกิดความรู้ความเห็นอย่างมีตามีหูเกินมนุษย์สามัญเจถึงพร้อมด้วยอธิการ คือการกระทําอันยิ่งจนถึงอาจบริจาคชีวิตของตนเพื่อพระพุทธเจ้าได้ 8. มีฉันทะคือมีความพอใจมีอุตสาหาพยายามยิ่งใหญ่จนถึงเปรียบเหมือนว่ายอมแบกโลกทั้งโลกเพื่อนำไปสู่แดนกเกษมได้หรือเปรียบเหมือนว่ายอมเหยียบย่าโลกทั้งโลกที่เต็มไปด้วยกวากน้ำหอกดาบและทานเพลิงไปได้ท่านผู้ประกอบด้วยธรรมสมุทามแปดนี้ ทาอภินิหารปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในสํานักของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งความปรารถนาของท่านย่อสมสําเร็จได้สุเมดาบทมีทำมสมุทาน์แปข้อเหล่านี้บริบูรณ์จึงมีอภินิหารปรารถนาพุทธภูมิได้และว่าเรียกพระโพธิสัตว์จําเดิมแต่ได้รับพยากรณ์จากพระทีปังกรทศพลต่อจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้บําเพ็ญพุทธการกฐธรรมหรือธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้า สิประการได้แก่ 1. นึ่บำเพ็ญทานสละบริจาคสิ่งทั้งปวงจนถึงร่างกายชีวิตให้ได้หมดสิน้นเหมือนอย่างเทพชนะน้ําว่างจนหมดน้ํา 2. งบำเพ็ญศีลรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตเหมือนอย่างเนื้อทายรักษาขนยิ่งกว่าชีวิต 3. ามบำเพ็ญเนกาขมำออกจากกรามจากบ้านเรือนเหมือนอย่างหุ่งออกจากพันธนาการ 4. ี่บำเพ็ญปัญญา เข้าหาศึกษาไปถามบัณฑิตโดยไม่เว้นว่าจะเป็นบุคคลมีชาติชั้วนวรณะต่ำปานกลางหรือสูงเหมือนอย่างพิกษุเที่ยวบินทบาารับไปโดยลำดับไม่เว้นแม้ที่ตระกูลต่ำห้าบำเพ็ญวิริยะมีความเพียรมั่นคงไม่ย่อหย่อนทุกอิริยาบถเหมือนอย่างศิรราชมีความเพียรมั่นคงในอิริยาบถ ท, ทั้งปวง 6. บำเพ็ญขันติอดทนท้งในการได้รับการยกย่อง ในการถูกหมิ่นแคลนเหมือนอย่างพัดดินใครทิ้งของสะอาดไม่สะอาดก็รองรับได้ทางนั้นเจ็ดบำเพ็ญสัจจะรักษาความจริงไม่พูดเท็จทางรู้แม้ฟ้าจะผ่าเพราะเหตุไม่พูดเท็จก็ไม่ยอมพูดเท็จหรือแม้เมื่อพูดเท็จจะได้ซัพเป็นต้นก็ไม่ยอมพูดเท็จเหมือนอย่างดาวโอสถีดําเนินไปในวิถีของตนที่ตรงทุกฤดู8บำเพ็ญอธิษฐานตั้งใจมุ่งมันน่นไม่หวั่นไหว คือเด็ดเดียวแน่นอนในสิ่งที่อธิษฐานใจไว้เหมือนอย่างภูเขาหินไม่วันไหวในเมื่อถูกลมกระทบทุกทิศ 9. ก้าบำเพ็ญเมตตาแผ่นิตรภาพไมตรีจิตไม่คิดโกรธอาฆาตมีจิตสม่ำเสมอเป็นอันเดียวกันทั้งในผู้ที่ให้คุณทั้งในผู้ที่ไม่ให้คุณหรือให้โทษเหมือนอย่างน้ําแผ่ความเย็นไปให้อย่างเดียวกันแก่ทั้งคนชั่วและทั้งคนดีสิบบำเพ็ญอุเบกขา วางจิตมัธยัตเป็นกลางทั้งในคราวสุขทั้งในคราวทุกข์เหมือนอย่างแผ่นดินเมื่อใครทิ้งของสะอาดไม่สะอาดลงไปก็มัธยัตเป็นกลางพุทธกาลกับธรรมสิทธิปการเหล่านี้เรียกว่าบารมีตรงกับคําว่าประมะที่แปลว่าอย่างยิ่งหมายถึงว่าเต็มบริบูรณ์แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเต็มบริบูรณ์ได้เองต้องปฏิบัติบําเพ็ญเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆไปคือต้องทําให้เต็มบริบูรณ์ เหมือนอย่างตักน้ำเทไส่ตุ่มใหญ่ๆอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะเต็มบําเพ็ญจนเต็มบริบูรณ์เมื่อใดก็สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นพระโพธิสัตว์ได้บําเพ็ญบา ร, รมีนับตั้งแต่ได้รับพยากร์จากพระทีปังกรพุทธเจ้าตลอดเวลาเสียสงไขยหนึ่งแสกับผ่านพระพุทธเจ้าที่ได้ตัดรู้ในกับน้ํานั้นนับแต่พระทีปังกรเป็นต้นมาถึง24พระองค์ดูพระพุทธเจ้า28พระองค์ จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าบารมีที่บังเกนมาโดยลําดับดังกล่าวแบ่งเป็นสามขั้นขั้นสามัญเรียกว่าบารมีขั้นกลางเรียกว่าอุปบารมีขั้นสูงสุดเรียกว่าปรมัตถบารมีเช่นการบริจาคพัสดุภายนอกเรียกว่าทานบารมีบริจาคอวัยวะเรียกว่าทานอุปบารมีบริจาคชีวิตเรียกว่าทานปรมัตถบารมี โปรดติดตามรับฟัง45ภาษาของพระพุทธเจ้าพระนิพลธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ใหม่ในตอนต่อไป